เรามันต้องฝึกฝนอบรมตนไปเรื่อยเพราะเรามีโอกาสเต็มที่อันเป็นนักบวชนี่อความกังวลในเรื่องกันทำไมาหาเรื่องขีพบก็ไม่มีและความกังวลในการงานอันหนักหนาอะไรก็ไม่มีนี่นับว่าเป็นโอกาสอันดี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 ไอ้ผู้ที่ถูกอวิชชาตันหามันครอบงำอย่างมากมายนะมันนึกไม่ได้มันนึกถึงชีวิตของตัวเองไม่ได้เลยว่าตนตกอยู่ในห้วงแห่ง ก, กองทุกข์อย่างไรบ้างแล้วตนจะถอนตอนออกจา ก, กทุกข์ได้โดยวิธีใด อย่างนี้มันคิดไม่ได้เลยคนส่วนมากเงี้ป็นอย่างนั้นมีนักบวชนอกพุฏิศาสนาไปทูลถามปัญหาพระองค์ว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกวะท่านพระองค์เจ้ากระทรงตรัสว่าทุกข์แลเป็นภัยใหญ่ของโลกอะไรเป็นเครื่องฉาบพาโลก ให้มวัวหมองไปปัญหาแลเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้ให้มวัวหมองไปพระ อ, องค์เจ้าตรัสอย่างนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมเข้าไปคิดไปตรองให้รู้ให้เห็นตามที่พระ อ, องค์เจ้าทรงแสดงอันชีวิตของมนุษย์เราจะวุ่นวาย จะดิ้นลนกระเสือกกระสนไปทาง่าสนานามันนี่ก็เพราะทุกนั่นแหละมันครอบงำกายครอบงำจิตอืมจึงได้ดิ้นลนกระเสือกกระสนไปก็เพื่อหิวอาหารไม่รับประทานอ่มันก็ดิ้นลนแล้วอย่างนี้นะหิวน้ําน้ําไม่มีดื่มก็ดือดร้อนแล้วนี่ อย่างนี้แหละไม่มีเงินจะใช้จะจะ่ายจะไปขอใครก็ไม่ได้ก็เดือดร้อนอืมต้องดิ้นรนมีอสังหาเรื่มทรัพย์อะไรก็เอาไปมัดจำเอาเงินเขามาใช้มาจ่ายในที่สุดหาใช้เขาไม่ได้ส่งดอกเขาไม่ได้ทรงต้นเขาไม่ได้เขากืก พ้องยึดทรัพย์อาเสียเลยหมดเนื้อหมดตัวที่นาที่สวนพ่อแม่แบ่งปันไว้ให้หก็ไปขายกินหมดก็เพราะความทุกข์นั่นแหละเรื่องมันนะมเนื่องจา ก, กว่ามนุษย์เรานันเดยมันมีอดีตอนาคตมีปัจจุบันอดีตมันส่งผลมาสู่ ปัจจุบันนี้อย่างนี้นะแต่มนุษย์เรานั้นไม่ได้คิดได้ครองส่วนมากนะนึกว่าเข้าใจว่าตนเพิ่งเกิดขึ้นมาในชาติเดียวเท่านี้ไม่ได้นำพึงถึงเรื่องอดีตเพราะรู้ไม่ได้ไม่ทราบว่าทศกัณฐเป็นมายังไงก็เลยไม่คำนึงเสียเลยบางคนก็แทบไม่เชื่อเลยว่า ชาติก่อนมีเข้าใจว่าเพิ่งมาเกิดเอาชาตินี้เท่านั้นเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวความเข้าใจผิดทันเรียกว่าอาวิชชาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วย น, นี่พรนนะพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ที่ลงทรงเล่งยานสองสัตว์โลก ในตอนเที่ยงคืนนะตอนที่พระ อ, องค์เจ้าสัจจรุในยานที่สองจุตูปปาตา ย, ยานยานรู้จักความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายรู้จักความถุกความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายอยันนี้พระ อ, องค์สัจจรุงานประเภทนี้พระ อ, องค์รู้ความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลายแต่ในอดีต สัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้ก็เพราะอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่เขาทำมาำเอาทำอมาต่ชาติก่อนมาอำนวยผลให้อย่างนี้นะนี่เนี่ยถ้าผูใ้ใดมันนึกคิดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จะพยายามมาพิจารณาตนเองในปัจจุบันนี้เลวันี้ เช่นอย่างว่าปัจจุบันนี่ตนยากจนคนแค่นไม่มีสมบัติอันใดพอที่จะเลี้ยงชีพให้สะดวกสบายได้ก็เพราะแต่ชาติก่อนตนคงทาบุญกุศลมาน้อยอย่างนี้เนี่ยแล้วตนมีอายอุร่างกายไม่ครบถ้วนหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงทำการงานอะไรก็ไม่ค่อยได้หมนี้ก็เพราะ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 ถือว่าจนและไม่มีอะไรจะทำบุญให้ทานอย่างนี้ก็เลยทอดทุระเสียเลยอย่างนี้ไอ้ชีวิตของคนนั้นมันก็ตกต่ำไปเรื่อยๆเมื่อตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ไม่มีทางลยที่จะได้เกิดมาเป็นคนอีกเพราะเหตุว่าบุญไม่มีจะต้องไปเกิดเป็นอื่นเช่นเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานไปอย่าง นี่ยังดีนะได้เกิดเป็นสัตว์ได้ฉานนะถ้าไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกเขาจะยิ่งทนทุกข์ทรมานมากพุทธบริษัททั้งหลายควรจะไปคิดถึงตัวเองอย่างนี้ให้มากมากเพราะเหตุว่ามันมีเครื่องเปรียบเครื่องเทียบอยู่ไอ้ที่จะเป็นเหตุให้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม ก็คนเกิดมาในโลกนี้ทําไมยังเป็นอยู่ไม่เหมือนกันเนั่นแหละถ้าหาว่าไม่ต้องอาศัยคําดีคําชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนตามมาตกแต่งให้อย่างนี้นะมันก็คงคันว่าดีก็ดีเหมือนกันหมดชั่วกับชั่วเหมือนกันหมดแล้วสิถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขเหมือนกันหมดหมดแหละถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เหมือนกันหมดสินี่ไงอันที่มัน เลื่อมล้ำต่ำสูงกััวกันอย่าง น, นี้ลองคิดดูมันเป็นด้วยเหตุอะไร น, นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าเป็นด้วยการกระทำเพราะการกระทขาของคนเรามันไม่เหมือนกันเราก็รู้กันอยู่ในโลกนี้ผูม้มีกิเลสตัณหามาหน้าทิฏฐิมากมักจะไปทำความชั่วใส่ตัวมากกััวทำความดี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 คำสอนของพระพุทธเจ้าอืมเมื่อเมื่อเคารพในพระธรรมอย่างนี้นะก็ชื่อว่าเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจความหมายแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมี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 ไอ้คนไม่เชื่อต่อบุญต่อบาปอย่างที่ว่ามานี่ยแหละเหตุที่มันทําบาปเหตุที่ทําบุญกุศลไม่ได้เหตุที่ไม่สนใจฝึกฝนอบรมตนก็เพราะไม่เชื่อก็เพราะไม่เชื่อต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าอืมเช่นว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริเยณทุกขะมัจเจติอย่างนี้นะคูจะพ้น จากทุกได้ก็เพราะความเพียร น, นี่ถ้าได้ยินได้ฟังนี่แล้วผู้ใดน้องพขไปคิดไปตรองในพุทธภาษิตนี่เนี่ยก็จะรู้ก็จะเห็นได้ว่าอันความทุกข์นั้นมันเกิดมาจากเหตุถ้าไม่ละเหตุมันแล้วเมื่อใดความทุกข์มันก็ไม่ดับไปจา ก, ก จ, จิตใจนี่เช่นนี้เหตุมันมายัางไงอะ พระพุทธเจ้าทรงตรงัสว่าตัณหาแหลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้นะเพื่อบุคคลสาวหาต้นเหตุของทุกข์พบอย่างนี้แล้วก็จะได้เพียรละตัณหานั้นให้เบาบางออกไปจากกิจใจเลือ่อยไปโดยเฉพาะตัณหาที่มันให้อยากทํากรรมมันชั่วใส่ตัวเองนี่แหละ ตัณหาประเภทนี้นะควรสนใจให้มากพุทธศาสนิาชนเรื่องหลายนะตัณหาที่อยากแะไปให้ไปฆ่าศัตว์ให้รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มทุราเมรัยกัญชายาพินเฮโรอินตัณหาห้าประการนี้นะควรละก่อนอื่นทั้งหมดเลย ปัญหาประเภทเหล่านี้แหละมันงวงเหนี่ยวชีวิตของคนเราให้จมอยู่ในทุกข์ในโลกสงสารอันนี้อืพ้นจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นเปรตเอาวทนทุกข์ทรมานจากเป็นเปรตอยู่นั้นก็เพราะแรงพ้นจากเปรตมาแล้วก็มาเป็นอสุรกายอสุรกายนี่ในตำราก็ไม่ละ ไม่ละไม่อธิบายไว้ละเอียดละออก็ก็ค่ก็หมายความว่าอสุรกายหนี่ก็คือพวกสัตว์ที่มันได้รับทุกข์ทนทรมานนั่นแหละเพะแต่มั น, ม, นมันอ่อนมันอ่อนลงมากวัวเปรตนั้นอืมความทุกข์เนะ่ยแบบ น, นี้จากอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไอ้ความทุกข์ก็เบาลงเออ ม, มาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะนี่แหละ ไอ้โทษของบุคคลผู้ที่ไม่เห็นโทษแห่งตันหาไม่ละตันหาแล้วมันก็ทําให้เกิดทุกข์ทนทรมานอยู่นี่พระพุทธเจ้าเนะ่ทรงแสดงเรื่องนี้นไม่มีใครแสดงได้ดอกไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาอันยอดเยี่ยมทรงมองเห็นความทุกข์ของสันโลกทั้งหลายมันมาจากตันหาตัวเดียวนี่แหละกับอวิชชา และทีนี้เมื่อมันมีอวิชากับตัณหานี่เป็นคู่กันมาแล้วมันก็เกิดกิเลส1ั0หาตอนหารอยแปดเกิดเป็นลูกเป็นหลานของอวิชชาตัณหาออกมาอมหลายประเภทเลยกิเลสของมนุษย์เรานี่นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้น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 ข้อที่หนึ่งนั่นะเทียนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานนีนะ่ก็เรียกว่าเทียนรักษาจิตนี่ไว้ด้วยสติสมญญัมปชัญญะจิตคือความรู้สึกไม่มีรูปร่างสันฐานวันลนะอะไรทั้งนั้นเลยเป็นแต่วความรู้สึกอยู่ภายในท่ามกลางอกนี่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 เช่นอย่างว่าใครมาด่าว่าตีเตียนเข้าไปอย่างนี้นะตามธรรมดานี่มันก็โกรธแหละคนเรานะ่ะแต่ถ้าผู้ที่เห็นภัยในบาปในโทษทั้งหลายแล้วความโกรธก็ชื่อว่าเป็นอกุศลมูลเป็นมูลให้ทําบาปอืเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้มันโกรธอา้าวเขาจะด่าก็ยอมให้ด่าไปซะเมื่อเราไม่ยึดถือเอาคำด่าของเขาแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่แสบอะไร เมื่อเรามายึดถือเอาแล้วเสียงที่เขาด่ามาผมก็ดับไปดับไปเท่านั้นเองอ่าเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ไม่โกรธเมื่อไม่โกรธมันก็ไม่ได้ด่าตอบกันไม่ได้สร้างบาปอากุศลขึ้นในใจอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่าเพียนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานความรูอบก็เหมือนกันนะระวังเมื่อมันคิด เห็นของสมบัติของผู้อื่นมีมากมายกลายคลองคิดอยากได้ขึ้นมาเอ็นุก็รีบห้ามจิตทันทีเอี่เฮ้ยอันนมันสมบัติของผู้อื่นมันเกิดด้วยบุญวาสนาของเขา เ, เราจะไปคิดแย่งชิงเอาของเขาเลยถ้าไปคิดแย่งชิงเอาของเขาอย่างนั้นมันก็เป็นบาปเป็นโทษเดี๋ยว่าไปเบียดเบียนไปทําขอให้เป็นทุกข์ เพราะเขาไม่ได้พอใจให้เราแต่เราไปแย่งไปชิงไปใช้อำนาจบาทใหญ่เอ า, อางี้นะเมื่อมีสติเตือนตนได้อย่างนี้จิตมันก็หยุดอยากได้ที่มันคิดเพ่งเล็งไปอยากได้สมบัติพวกอื่นน่นมันก็หยุดลงเพราะมันรู้ความจริงนี่เออจริง ถ้าไปวางแผนเบียดเบียนช่อโกงจี้ปล้นเอาสมบัติเพื่นเอาเป็นกทนนี่มันจะต้องได้ประสบกับบาปทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าแน่นอนถ้าเจ้าทรัพย์เขารู้ว่าใครเป็นผู้มาแย่งทิงของเขางี้เขาจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ตามจับเอาพร้อมโดยของกลางได้มาฟ้องร้อง ต่อสารสารพิจารณาเห็นว่าผิดจริงก็ตัดสินติดคุกติดตารางนี่ความโลภมันเป็นมูลเหตุที่คนเราได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางกับมันเป็นอย่างนี้แหละมาที่ไม่ใช่ว่ามันพ้นไปนะติดคุกในชาตินี้แล้วนึกว่ามันจะพน้นตายไปชาติหน้ากรรมชั่วนี่มันจะไม่ตามไปสนองอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น มันยังไม่หมอดอันนี้โทษเกิดเกิดจากกฎหมายบ้านเมืองต่างหาก่วนบาป ก, กรรมที่บุคคลทำนั่นน่ะมันติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนไปติดคุกมันก็ตามไปในคุกนั่นแหละอย่างนี้นะพ้นจากคุกมาแล้วมันก็ติดตามมาเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันก็ติดตามไปอำนวยผลให้เป็นทุกข์ในชาติต่อไป เนี่ยเพราะฉะนั้นถึงว่าให้มีสติสัมรวมจิตไว้อย่าให้มันเกิดความโลภเล่งเพ่งเลงไปในสมบัติของผู้เอ่นนอกจากเพ่งเลงในสมบัติของผู้รักขยะมันเพ่งเลงไปในทางการมตัญหาเช่นอย่างว่าก็ไปเพ่งเล็งรักให้ใน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 ไม่ให้ความโกรธครอบงำไม่ความหลงครอบงำอย่างนี้ละก็มันก็ไม่ได้ทำบาปบาปก็ไม่ได้เกิดขึ้นในจิตสันดานอ่าเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าหากว่าไปพังเผอไปสร้างบาปให้เกิดขึ้นในจิตสันดานแล้วก็อย่าไปยึดถือเอาบาปนั้นไว้พระองค์สอนเนะี่ยให้เพียรละบาปนั้นให้มันหมดไปจา ก, ก จ, จิตใจ คือเพียรละความโลภอย่าให้จิตมันเพ่งเล็งไปภายนอกอยากจะได้สมบัติปืนเพิยงพุกตนสำรวมจิตภาวนาพุทโธไว้ภายในอย่างนี้เมื่อใจมันไม่วิตกไปในทางบาปอากุศลเช่นนั้นแล้วก็อธิษฐานใจละบาปกรรมใดที่ได้รุ่มหลงก็ะทำมาแล้วก็เป็นความประมาทความสะเพร่า เพราะฉะนั้นจะของดเว้นเลยตั้งแต่นี้ไปจะไม่ทำอีกแล้วอธิษฐานใจละเว้นอย่างนี้เสียเช่นนี้อธิษฐานละบ่อยๆเข้าไปบาปที่ลุ่มหลงทำมานะั้นมันก็หมดไปหมดไปเพราะใจไม่ยึดถือเอามันนี่ฮนะนี่แหละเรียกว่าเพียนละบาปเพียนอธิษฐานละในใจแล้วไม่ทำบาปใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีก อันนี้มีทางที่บาปเก่านั้นจะหมดไปได้ขอให้เข้าใจถ้าหากว่าบาปนี่เป็นสิ่งที่ละไมได้แล้วไ้พระศาสดาก็ไม่สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายภากเพียรพยายามละบาปออกไปมเมื่อละบาปออกไปแล้วก็เพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าใส่ไว้ในจิตใจนี่อย่าปล่อยให้ใจว่างอยู่เฉยเ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 มาอย่างนี้เราก็รวมพระคุณทั้งหลายเข้ามาสู่ใจนี่ไว้ในวันนี้เมื่อเราทำบุญกุศลอะไรด้วยกายด้วยวาจาในปัจจุบันนี้ต่อไปเราก็น้อมเอาความดีที่ทำนี่เข้ามาสู่ใจนี่เรียกว่าให้ใจของเราในะมีแต่บุญแต่คุณตั้งมั่นอยู่ให้ทำความยินดีในบุญในคุณนี้ให้มากไปวันนี้ ให้เกลียดต่อ บ, บาปอากุศลต่างๆอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นผู้พยายามสั่งสมบุญกุศลแทนบาปแล้ววันนี้อให้ใครเจริญงอกงามขึ้นไว้เมื่อเราบําเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้ได้แล้วก็เพียรรักษาบุญกุศลอันนี้ว่าอย่าให้มันเสืริมอย่างนี้แหละก็เพียรรักษา จิตมาให้มันโลภมันโกรธมันหลงนั่นแหละได้ชื่อว่ารักษาบุญกุศลไว้ถ้าหากว่าปล่อยความโลภโกรธหลงคอบงมจิตใจแล้ววันนี้บุญกุศลที่ทำมานั้นมันก็เสื่อมไปตั้งอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอภมามันอย่างพืชต่งางๆที่เราปลูกลงในดินแล้วเท่นนี้ไปปล่อยให้หญ้าขึ้นท่วมอย่างนี้นะ ปล่อยให้ยากขึ้นท่วมอย่างนี้เพื่อต่างๆเาแล้วนะมันยังตั้งต้นไม่ได้มันก็เฉาไปมันก็ทูบซีดไปไม่พีดอกออกผลให้เจ้าของได้บริโภคต่อไปนี่ก็ก็ฉะนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าไปสร้างความโลภความโกรธความหลงให้เกิดขึ้นในใจแล้วเช่นนี้ บุญกุศล น, น่ยมันก็เสื่อมไปเท่านั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นน่ยถ้าจึงสอนให้ภาวนาอืมสอนให้ภาวนาเพ่งจิตใจอันนี้ให้ถึงความสงบระ ง, งับจากกิเลสต่างๆความรักความชังความหลงความเมาความเกียดคล้านเฉยชาต่างๆนี่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 หายใจออกก็ละความโลภโกรธหลงอันนี้อธิษฐานใจกำหนดใจละอยู่นั่นนะ <c oughs> ก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเราเพียรพยายามระมัดระวังไม่ให้ความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใ จ, จแล้วบุญกุศลที่เราทำมานั้นคุณพระตนกายก็จะตั้งมั่นอยู่ในจิตใ จ, จเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ จะเป็นบอกเกิดแทงปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ดังสแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้